Book 2าสสาที่สถานีรถไฟรถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมือ่อไหร่คะคดินางต่อไปทีบลิน รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะคืออีเจียล n ีวล a on, ā ā j, k โดปารีซ a รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะคืออีโรถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ รถไฟไปสตอกโฮล์มออกกี ass, ่โมงคะออกกี่โมงคะดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ ดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะดิฉันต้องการตั๋วไปเบิร์หนึ่งที่ค่ะรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะ รถไฟถึงมอสโกเมื่อไรคะคือดิพริเยตินวลาดิมอสกรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรคะคือดิพริเยตินวลาดิมอสเตอร์ดดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะมุสินเพรสตู o ว a ตรถไฟออกที่ชานชลาไหนคะ สตรีค оля ่ย์จะอัพชาร์จเต็นท์วากรถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะเยววากูลวอชกวีวอเซงดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะฉันฉันอยากไปส่งตั๋วไปบรัสเซลดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะ Chcela? Chcela by som zpětočný cestovný lístok do Kodaně. Koliko stojí město v Lłožkovom vozni?